ข้มบทแปลเรื่องที่109เรื่องเด็กหลายคนภาคที่หเรื่องที่สของวรรคที่ส0บทันทวัควรรณน า, นาข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบรเด็กเป็นอันมากตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าสุขกามานิภูตานิเป็นต้น ตอนพระสัสดาทรงพบพวกเด็กตีงูความพิสดารว่าในวันหนึ่งพระสัสดาสเสด็จส่งบาดเข้าไปในกรุงสาวรถีทรงเห็นพวกเด็กเป็นอันมากเอาไม้ตีงูเรือนตัวหนึ่งในระหว่างทางตรัสถามว่าแน่เจ้าเด็กทั้งหลายพวกเจ้าทำอะไรกัน เมื่อเด็กเหล่านั้นกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์เอาไม้ตีงูพระเจ้าข้าตรัสถามอีกว่าเพราะเหตุไรเมื่อพวกเขากราบทูลว่าเพราะกลัวมันกัดพระเจ้าข้าจึงตรัสว่าพวกเจ้าตีงูนี้ด้วยคิดว่าจากทาความสุขแก่ตนจากไม่เป็นผู้ได้รับความสุข ในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วแท้จริงบุคคลเมื่อปรารถนาสุขแก่ตนแต่ประหารสัตว์อื่นย่อมไม่ควรดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงได้ทรงภาสิทพระคถาเหล่านี้ว่าสุขกามานิภูตานิโยดันเดนะวิหิงสติอัตโนสุขเมซาโน เปจะโซนนะลพะเตสุขังสุขกามานิภูตานิโยดันเดนะนะหิ่งสติอัตโนสุขมมซานโนเปจะโซละพะเตสุขั่งติสัตว์ผู้เกิดแล้วทั้งหลายเป็นผู้ใคร่สุขบุคคลใดสแสวงหาสุขเพื่อตนแต่เบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยถอนไม้บุคคลนั้น ละไปแล้วย่อมไม่ได้สุขสัตว์ผู้เกิดแล้วทั้งหลายเป็นผู้ใคร่สุขบุคคลใดแสวงหาสุขเพื่อตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยท่อนไม้บุคคลนั้นละไปแล้วย่อมได้สุขแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่าโยดันเดนะความว่า บุคคลใดย่อมเบียดเบียนผู้อื่นด้วยท่อนไม้หรือด้วยวัตถุทั้งหลายมีก้อนดินเป็นต้นบาปประกาศ่าว่าเปจจะโซนณและพะเตสุ ข, ขังความว่าบุคคลนั้นย่อมไม่ได้สุขสำหรับมนุษย์สุขอันเป็นทิพย์หรือสุขคือพระนิพพานอันเป็นประมัถสุขในโลกหน้าในประกาศถาที่สอง มีความว่าหลายบทว่าเปจะโซ่ละพเตสุขังความว่าบุคคลนั้นย่อมได้สุขทั้งสามอย่างมีประการดังกล่าวแล้วในปรโลกในการจบเทศนาเด็กเหล่านั้นทั้งห้าร้อยตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลดังนี้แลเรื่องเด็กหลายคนจบ